2. กายะสังสัก ข, ขสิกขาบท 9. ถามพระผู้มีพระภาคอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้ถูกต้องกายกลับมาตุคามณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถาม ทรงปราลบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีถูกต้องกายกับมาตุก ข, ขามในกายสังสัรคสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือ เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา